พระครูญาณทาาัศศรีหลวงปู่คําดีประภาโซวัดถ้ำผาปูตาบลนาอ้ออําเภอเมืองจังหวัดเลยพุทธศักราช2445ถึง2527 ปริยัเจ้าทั้งหลายตาท่านก็มองเห็นรูปได้เหมือนกันจมูกท่านก็ได้กลิ่นเหมือนกันและยังมีอื่นๆ อ, อ, อีกที่ท่านสามารถรับรู้จากทวารต่างๆแต่ทำไมท่านถึงไม่ทุกข์เพราะท่านดับไฟของท่านได้แล้วนั่นเอง ไฟเหล่านั้นก็คือราคะโทสะโมหะไฟภายในเหล่านี้เองที่มาเผาให้เราร้อนให้เราเป็นทุกข์ไม่ใช่ว่ารูปรสกลิ่นเสียงโพธพะหรือสิ่งอื่นที่จะมาเผาเราให้ร้อนเป็นทุกข์ ตัวของเราเองที่เป็นไฟมาคอยเผาตัวเองจิตใจของเราเองเป็นตัวก่อทุกข์พระอรหันต์ท่านมีปัญญารักษาใจของท่านดีแล้วท่านจึงไม่ทุกข์เพราะท่านไม่ปรารถนาในสิ่งต่างๆแต่ปุถุชนคนธรรมดา เมื่อประสบกับรูปรสกลิ่นหรืออื่นๆทำให้เป็นทุกข์ก็เพราะใจเราเป็นตันหาปราถนาทะเยอทยานยินดียินร้ายในสิ่งเหล่านั้นมักจะเข้าใจผิดเห็นว่ารูปเป็นตัวเป็นตนตอย่างหนึ่งเห็นเวทนา เป็นตนหนึ่งส่วนพระอริยเจ้าท่านไม่ได้เห็นว่ารูปเป็นตนไม่ได้เห็นว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตนแต่ท่านเห็นว่ามันเป็นค่าศึกเป็นภัยที่ใหญ่โตคำว่าหลงก็ใจนั่นแหละหลงคำว่ารู้ ก็ใจนั่นแหละพาให้รู้เหตุที่ใจรู้ได้ก็เพราะการประพฤติธปฏิบัติอาศัยการตั้งใจฟังใคร้ครวญในสิ่งนั้นๆเพียนละความชั่ว พฤต์แต่ความดีท่านเรียกว่าเหตุเกิดที่ปัญญาปัญญาเป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างอบรมได้ให้เป็นผู้มีสติกำหนดรู้รูปและนาม คือรูปคงเป็นรูปธาตุดินน้ำลมไฟน้ำแม้มีมากก็มีใจเพียงดวงเดียวเป็นบ่อกเกิดน้ำทั้งหลายที่เป็นสภาพผู้รับรู้มีหกอย่างคือ ความรู้ทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจและความรู้ทางใจเท่านี้ส่วนสติปัญญานั้นเป็นความรู้พิเศษคือรู้เหตุและรู้ผลการฝึกหัดสติพิจารณาในขันท่าให้พึงเข้าใจตามนี้ รูปขันก็คงเป็นรูปตังหากเวทนาขันก็เป็นเวทนาตังหากตลอดจนสัญญาสังขารวิญญาณก็เช่นเดียวกันตามหลักที่ว่าอุปทานขันห้าเป็นทุกข์อุปทานและขันห้าไม่ใช่อันเดียวกัน อุปทานคือความยึดถือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใจต่างหากที่ยึดถือความหลุดพ้นจากกองทุกข์ก็ต้องมีจิตดวงเดียวที่จะเป็นผู้หลุดพ้นดังนั้นจงยึดหลัก สติปัฐานสี่เป็นหลักสุนทัดสติให้มากที่สุดให้เห็นว่าร่างกายเราประกอบด้วยธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟรวมเป็นก้อนเดียวเรียกว่ารูปให้แยกส่วนให้เห็นเป็นต่างหาก ส่วนเวทนาจิตธรรมสามประการนี้เป็นนามซึ่งนามธรรมทั้งหลายท่านจัดเป็นภูสลและอกุศลแม้ทั้งสิ่งก็มีใจดวงเดียวเป็นบอกเกิดให้พิจารณาถึงความไม่เที่ยงและเมื่อเกิดอุบายปัญญา รู้เห็นประการใดแล้วจะต้องพิจารณาให้ถึงที่สุดพิจารณาให้แตกทำลายสาบสูญของรูปกายให้กำหนดพิจารณาดูว่าความแก่ของเราก็แก่มาตั้งแต่อยู่ในท้องของบรรดาเช่นที่เรียกว่าคันแก่หรืออ่อน และเมื่อถึงกำหนดคลอดออกมาแล้วความแก่ก็ยิ่งทวีขึ้นไปอีกรื่อยเรื่อยไม่มีวันหยุดเรื่อยไปจนกระทั่งวันที่เราตายจึงจะหยุดแก่ ความเจ็บและความตายก็พิจารณาแบบนี้เช่นกันให้เรากำหนดให้รู้จักหน้าตาของสังขารทั้งหลายให้รู้ตามความเป็นจริงว่าเราดีใจเราเสียใจเราเนื้อคิดเราโลภเราโกรธ เราหลงเช่นนี้พึงว่าไม่ใช่ตัวตนของเราให้กำหนดรู้เท่านั้นเมื่อพิจารณาขันห้าธาตุสี่เห็นเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาแล้วจนเกิดญาณความรู้พิเศษ เมื่อเกิดความรู้พิเศษแล้ววิปัสนูกิเลสหรือวิปลาสก็เกิดขึ้นไม่ได้เ <piano music> มื่อสิ่งใดหรือความรู้ใดเกิดขึ้นหรือก็จะเอาไตรลักษ เป็นเครื่องตัดสินก็ให้เห็นตามความเป็นจริงก็คือใช้ปัญญาพิจารณานั้นเอง